ภรา Smoms. ได้พรา availability ของ eur ภราชِภราชปริธีสำคัญในการเสด็จเทลิงท舞・รายีาวราชสมบัติเป็นพระมหากศัท์พระองค์ที่10แห่งพระบรม speakers มาราย THE value of Prix ส Clarke ร่วมกันเข้าเฝ้าทุฬรและอองธุลี่พระบาทพระบาทสมเด็จพระวาชิระเกล่าแปลงเช้าอยู่หัวสมเด็จพระนังเจ้าสุทธิดาพ เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวลพยุฮะยาตราทางชลมากในพระราชพิธีบรรมาราชาพิเศกเบื่องปลายวันที่12ธนวาคมศกนี้พระราชพิธีบรรมาราชาพิเศกพุทธศกราชช่องพัน562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีสำคัญยิ่งของคนไทย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 8.5 Mekahurst เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตคลิกเดียวรูเรื่องคอมรายการคอ ม, คอมทุเดยหน้านาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสาระสนเทศสมัยใหม่โดยป่อนชัยจารธรัสสุพแสงคลิกใส่ให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทันเยอะพูรี FM89.5 Mekahurst สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์เรดิโอนะครับทางเอฟเอ็มแปดสิบเก้าจุดห้าเมกะเฮิร์สต์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะฮะพี่มิ้งคอมทูเดย์พรชัยจันทรส์ปรัศมีแสงนะครับประจำวันอังคารที่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันถ้าร้อยหกสิบสองนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งเดือนก็จะถึงคอมบัดเวิร์คสองพันสิบเก้าที่จะจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาครั้งนี้นะครับเราก็ มีเรื่องราวดีๆมีคอนเทนต์ดีๆแล้วก็มีเทคโนโลยีดีๆมาฝากนะฮะที่สำคัญกว่านั้นนะครับก็น่าจะเป็นความคึกคักกันส่งท้ายไปลายปีทีเดียวเพราะว่าทุกแบรนด์ทุกรีเทลนี้ยกขบวนลงมาสู้แข่งขันกันในเรื่องของโปรโมชั่นกันแบบดุเดือดจริงๆหลายคนบอกว่ามันเป็นวิกสุดท้ายก่อนที่จะไปเที่ยวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดเต็มและที่สำคัญเป็นวิกสุดท้ายที่จะทำยอดขายได้เพราะฉะนั้นคุณมั่นใจจริงๆครับว่าสินค้าทุกชิ้นที่เจอกันในงานคอมมิช ปลายปีครั้งนี้โปรโมชั่นเด็ดและร้อนแรงจริงๆนะครับอะเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องขยะกันไปเต็มๆหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะฮะพร้อมกับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันวันนี้นะครับพี่มิงจะมีเรื่องของพวกสตรีมมิ่งต่างๆนะฮะ เวลาเวลาเราพูดถึงสตรีมมิ่งเนี่ย ก, ก็อยากให้นึกถึงการดูหนังฟังเพลงละกันเอางี้ละกันสมัยพี่มิงเนี่ยการดูหนังฟังเพลงก็คือไปลงหนังดูจากแผน่นดูจากเครื่องเล่นดีวีดีอะไรอย่างนี้ถ้าฟังเพลงก็ฟังจากซีดีนะหรืออย่างเก่งก็เปิดยูทูบฟังอ่ะอันนั้นแต่ก็ไม่ค่อยเยอะหรอกส่วนใหญ่เราก็จะฟังจากซีดีแล้วก็เอาเทปหรือถ้าเก่าไปกว่านั้นก็ฟังจากเทปถ้าสมัยตอนพี่มิงเด็กๆเลยเนี่ยฟังจากแผ่นเสียงเนี่ย ความความละมุนละไมข่ของของบรรยากาศแบบนั้นก็คือในช่วงเทปคาสเซ็ตน่าจะยาวสุดก็คือทุกครั้งที่เวลาพี่มิงซื้อเทปคาสเซ็ตมาเนี่ยพี่มิงจะรู้สึกโอ้โหแบบมันตื่นเต้นมากๆอยากดูว่าใครแต่งเพลงนี้ใครเป็นโปรดิวเซอร์ที่มาที่ไปของเพลงนี้เขาคิดยังไงทำไมถึงแต่งเพลงนี้แล้วนักร้องคนที่เราปลืม้มหรือว่าเลิฟเลิฟ เ, เนี่ยเขาเขียนอะไรให้กับผู้ผู้ฟังอย่างเราแฟนคลับอย่างเราบ้างแต่พอเวลาผ่านไปเอ็มพีสามเข้ามาแผ่นเถื่อนเข้ามา ตลาดเพลงเริ่มวายตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งใหม่ๆที่ต้องเริ่มปรับตัวกันไปเช่นเดียวกับหนังครับหนังสมัยก่อนเราก็ซื้อแผ่นมาดูแต่พอไปดูเนี่ยเออเขาเรียกไปดูที่โรงโรงหนังแต่ถ้าไม่อยากดูโรงหนังเราก็ดูจากวิดีโอเทปหรือว่าแผ่นดีวีดีแผ่นซีดีก็พัฒ น, นากันมาต้องบอกว่าธุรกิจออนไลน์สตรีมมิ่งคอนเทนต์เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันก็เริ่มมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าในปีเนี้ยปีสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยก็ เรียกไว้ได้ว่าน่าจะเป็นปีที่มีการแข่งขันเข้าสู่ช่วงพีค ก, กันจริงๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่เน็ตฟลิกซ์เนี่ยประกาศขึ้นราคาไปแวบเดียวค่ายคู่แข่งที่มาทีหลังอย่างฮูลู ก็ฮูลัวนะฮะก็ประกาศลดราคาแย่งลูกค้ากันดื้อแถมลูกค้าไม่มีแค่ไม่ได้มีแค่ตัวเลือกตรงนี้เพราะว่าในปีนี้หลังๆช่วงหลังนี้ก็เริ่มมีการเปิดตัวออนไลน์สตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งถึงสองรายมาชิงส่วนแบ่งการตลาดนะครับก็พูดถึงเน็ตฟลิกซ์ผมว่าพี่มิ้งเชื่อว่าทุกคนรู้จักนะมันก็จะเป็นค่ายที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าหากพิจารณาจากกลยุทธ์การขึ้นและลดราคาของเน็ตฟลิกซ์และฮูลัวแล้วเนี่ย การเป็นบริการที่เกิดขึ้นที่หลักของฮูลูเนี่ยย่อมต้องออกแรงแย่งชิงฐานผู้ชมพอสมควรดังนั้นเมื่อได้จังหวะ ด, ดีอย่างการประกาศขึ้นราคาของเน็ตฟลิกซ์ซึ่งเป็นเจ้าตลาดจึงไม่แปลกนะครับที่ฮูลูจะออกมาประกาศลดราคาสมาชิกในแพ็กเกจต่ำสุดมีโฆษณานิดหนึ่งนะฮะอยู่ที่เจ็ดจุดเก้าเก้าเหรียญสหรัฐเหลือที่ห้าจุดเก้าเก้าเหรียญสหรัฐพร้อมหวังว่าจะมีคนที่เปลี่ยนใจจากเน็ตฟลิกซ์เนี่ยหันมาใช้บริการของค่ายได้บางส่วน และบริษัทจะได้ไปทำกำไรในส่วนของรายได้ของการโฆษณาเพิ่มด้วยนะอ น, นี่คือสิ่งที่เราหวังไว้แต่ไม่ใช่ว่าฮูลูเจ้าเดียวนะครับจะลดราคาคือราคาก็มีเช่นกันโดยไปอยู่ที่แพ็กเกจที่เป็นช่วงพวกทีวีถ่ายทอดสดไอะไรพวกเนี้ยก็จะแพงขึ้นปัจจุบันเนี่ยครับฮูลูมีสมาชิกแล้ว25ล้านแล้วก็เป็นลูกค้าใหม่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ8ล้านราย แต่อย่างไรก็ดีนะครับทางฮูลูยังไม่มีกำไรแม้จะมีรายได้จากโฆษณาแต่ที่ 1.5 พันล้านเหลนรียญสหรัฐแล้วก็ตามนะฮะหรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ45เปอร์เซ็นต์มาดูที่ฮูลูกับดิสนีย์บ้างนะครับเพราะอะไรทำไมต้องมาพูดดิสนีย์เพราะว่าดิสนีย์ก็เพิ่งจะเปิดตัวสตรีมมิ่งออนไลน์ออกมาสักระยะหนึ่งนะครับสิ่งที่ฮูลูได้เปรียบผู้แข่งอื่นในตลาดก็คือตัวเลือกที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าและบริการที่มากกว่าผู้เล่นคนอื่นในตลาดโดยมี ซีรีส์สามารถเลือกดูได้มากกว่าแปดพันแปดหมื่นห้าพันเรื่องนะฮะแล้วก็รวมถึงหนังต่างๆทั้งยังเป็นผู้มีสิทธิ์ในการสตรีมมิ่งซีรีส์ดังอีกจำนวนหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวในอเมริกานะฮะฮูลูถือหุ้นส่วนหนึ่งโดยดิสนีย์แต่ดิสนีย์เองก็ยังเดินหน้าเปิดตัวดิสนีย์พลัสนะครับในปีนี้โดยอาศัยคุณทรัพย์คอนเทนต์ที่ดิสนีย์มี ซึ่งถือเรียกว่าซึ่งถือเรียกว่าเรีย ก, ยกว่าเรียกความสนใจจากผู้ชมกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ได้ดีไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์จากมาเวลสตาร์วอลและก็พิซซ่าโดยในปี2019นะครับทั้งสามแบรนด์นี้จะมีการทำภาพยนตร์ฟอร์มอยักษ์ออกมาอีกหลายๆเรื่องนะฮะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมาอยู่บนแพลตฟอร์มของดิสนีย์ซึ่งโอ้โหได้เปรตมากแต่สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นแฟนคอนเทนต์ซูเปอร์ฮีโร่หรือสตาร์วอล ทางดิสนีย์ก็ยังมีคอนเทนต์กีฬาจากเอเอสพีเอ็นมาเสริมรวมถึงซีรีส์พวกไฮเฟรนลี่อู้เยอะแยะเลยซึ่งในภาพรวมคาดว่าจะมีประมาณกว่าเจ็ดพันตอนและหนังอีกห้าร้อยเรื่องเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีคูรูอยู่ในมือทำให้ดิสนีย์พลัสนะครับบริการคอนเทนต์ได้ดีขึ้นด้วยหากมีคอนเทนต์ตลาดคอนเทนต์ลุนแรงก็สามารถส่งไปทางคูรูโดยไม่ต้องเสียภาพลักษณ์ก็คือเหมือนกับถ้าจะเอาอีกตลาดหนึ่งก็ชนไปนะครับมาดูแอปเปิลบ้าง แอปเปิลผู้เล่นที่โดนบีบมาจากตลาดไอโฟนนะฮะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่านอกจากทั้งสามบริการที่เกล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับเว็บไซต์อย่าง Max Rumor ได้ออกมาคาดการณ์ว่าแอปเปิลก็เตรียมจะเปิดบริการวิดีโอสตรีมมิ่งของตัวเองซึ่งก็เปิดไปแล้วนะครับโดยข้อมูลผู้ผลิตคอนเทนต์ที่ได้รับการติดต่อจากแอปเปิลว่าเป็นบริการสตรีมมิ่งมาพร้อมกับการเปิดตัวไปในช่วงที่ผ่านมาสำหรับคอนเทนต์ที่ปรากฏในบริการของแอปเปิลค่ะจะมีทั้งคอนเทนต์ที่ผลิตเองและคอนเทนต์จากบริษัทอื่น หรือรวมถึงแหล่งข่าวอย่าง CNBC อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งหมัดฮุก ข, ของตัว Apple ก็คือเขาจะให้บริการฟรีในช่วงแรกซึ่งตรงนี้โอ้โหมันดุดเด็ดเพชรมันอย่างที่พีมิงบอกจริงนะซึ่งจากสถานการณ์เหล่านี้นะครับหากบริการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ของ Apple เกิดขึ้นแล้วก็เกิดจริงๆใหมายถึงในตลาดก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเพิ่มไรายได้ของ Apple เพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยไอโฟนถึงแม้ว่าจะขายดีแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเพราะฉะนั้นตอนนี้แอปเปิลก็ต้องมองหาแหล่งรายได้อื่นๆซึ่งหนึ่งในรายได้ที่เขามองไว้ก็คือการทำตัวสตรีมมิ่งตรงนี้นั่นเองครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชวโมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University ความในใจกับฉันเขาทามต้องรงว่าคิดยังไงถึงทนเธอได้ทุกอย่งารงรู้ทั้งรู้ว่าเธอไม่เคยใจดีกับฉันแล้วฉันจะทนปวดร้าวทำไมเขาไม่เข้าใจความเป็นจริง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 シャンガポーチャイタタタンメシャントウライシャンガラタン にに私ャンプー、シャンプー、シャンプー、シャ เห「めいみさんาい」「もんกลัวหรืうるมい」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 เชิญที่วิทยายลัยการแพทย์แผ่นไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลฮัญญิบุรีติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโท 02-592-1999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 ยังคงอยู่ในเรื่องของสตรีมมิงนะครับก็ต้องบอกว่าดิสนีย์เองเนี่ยล่าสุดเมื่อวันก่อนเนี่ยดิสนีย์ก็ประกาศว่ามีผู้สมัครใช่มากกว่าสิบล้านคนในวันละเออสิบล้านคนในวันแรกอันนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะเมื่อดิสนีย์บริการสตรีมมิงออนไลน์ที่เปิดตัวแข่งกับเน็ตฟลิกซ์และแอปเปิลทีวีเนี่ยมียอดผู้ใช้งานมากกว่าสิบล้านคนในวันแรกเออเกิดอะไรขึ้นมีนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าด้วยราคาเริ่มต้นที่หกจุดเก้าเก้าต่อเดือนหรือหกสิบเก้าจุดเก้าเก้าต่อปี ดิสนีย์เนี่ยถือว่ามีราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งอย่างเน็ตฟลิกซ์มากโดยอยู่ที่ 12.99 ต่อเดือนสำหรับรู ป, รปแบบไฮเดฟหรือ HD ที่เป็นมาตรฐาน ท, ที่เป็นที่นิยมมากงานนี้ก็ถือว่าดิสนีย์เนี่ยพยายามใช้ทั้งคอนเทนต์ใช้ทั้งราคาใช้ทั้งเรื่องของตลาดออกข่าวชนตูมๆกับเน็ตฟลิกซ์ส่วนแอปเปิลทวีเนี่ย ก็ข้อดีจุดเด่นอย่างที่บอกก็คือเขาก็มีสาวกไอโฟนนะที่พอซื้อไอโฟนไปปุ๊บก็ได้ตัวนี้ใช้ฟรีไปก็หมายความว่าฐานลูกค้าเขาก็ได้มาแล้วกลุ่มหนึ่งในขณะที่เน็ตฟลิกซ์ซึ่งเป็นเจ้าตลาดเองก็คงต้องทำการบ้านหนักขึ้นอาจจะต้องคิดหนักขึ้นว่าการจะปรับราคาหรือการจะซื้อซีรีส์มาเนี่ยมันจะต้องลงทุนกันมากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนหนึ่งที่นักวิคอลเขามองว่าส่วนหนึ่งมาจากคอนเทนต์ของดิสนีย์พลัสเนี่ยได้รับความนิยมมากตั้งแต่ออนิเมชั่นฟรอสเซนส์ แล้วก็ภาพยนตร์ไซไฟอย่างมาวเวลซึ่งซึ่งภาพยนตร์เหล่านี้เป็นแม่เหล็กที่เรียกคนเข้ามาได้อย่างดีเพราะว่าพอเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์พี่มิ้งเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะเกิดภาวะที่แบบฉันไม่ขายให้แกฉันจะเอาไว้ฉายเฉพาะของฉันเลยอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยเน็ตฟลิกเองอาจจะหนักหนาเหมือนกันเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีการสร้างซีรีส์สร้างคอนเทนต์ที่เป็นพรีเมียมคอนเทนต์ของตัวเขาเองเนี่ยแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าไอ้ความเป็นพรีเมียมคอนเทนต์เนี่ย ของเน็ตฟลิกซ์กับแบรนด์อย่างดิสนีย์มาเวลเจ้าหญิงต่างๆที่ดิสนีย์มีอยู่เนี่ยมันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าวอชดิสนีย์เนี่ยก็สร้างสมประสบการณและสร้างสมบารมีกันมาแบบหนักหนักๆในช่วงสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นซาวด์มันมีแบบทุกเจเนอเรชันทุกเรื่องทุกรุ่นจริงๆนะฮะ สำหรับประเทศไทยตอนนี้นะครับดิสนียังไม่ได้เปิดดิสนีย์เอิร์ดดิสนีย์พลัสยังไม่ได้เปิดให้บริการแต่คาดว่าคงไม่นานโดยคาดว่าค่าบริการน่าจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยสิบห้าบาทต่อเดือนซึ่งก็ถือว่าราคาที่คนไทยน่าจะพอยอมรับได้นะครับแต่ตอนนี้ก็เราก็ดูจากเดตฟลิกส์วีไอยูค่ายสารพัดเยอะแยะไปหมดเลยก็ดูกันไปพลางๆก่อนแต่ถ้ายังไงความหนักหนาสาหัสตรงนี้ก็คงจะต้องมองกลับไปที่ คนทำทีวีในยุคปัจจุบันนะเพราะว่าก็น่าจะเหนื่อยเอาใจเหมือนกันมาเจอคู่แข่งทำคอนเทนต์ที่เป็นแนวบันเทิงจากต่างชาติแบบนี้ก็ต้องสู้เนาะส่วนสตรีมมิ่งเมืองไทยหลายเจ้าก็เริ่มล้มหายตายจากไปยังไงก็อยากให้คนไทยทำอะไรแบบนี้เหมือนเขาบ้างแต่ลองดูรูปแบบอื่ น, นที่ไม่ใช่แค่สตรีมมิ่งที่เหมือนชาวบ้านเขาครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลายยัา ย, า ย, า ย, ลายแห่งนวตกรรม I am duty moving towards innovative university. <music> ガンプコンデイディケテイドンデイケテイドンン ててハブンアンテハブンランアンテンパンカインドーナタンバタンイメイイチュンパンー いくんかいとないんではぐったいもんでみなたいかばいへいとちゃんなびすうおら ctor まんだい ?roadway たい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 ในตลาดเพลงยุคดิจิตอลเนี่ยคนไทยกว่าสิบล้านคนฟังผ่านแอปสามพันล้านครั้งนะตลาดมิวสิกสตรีมมิ่งเนี่ยตลาดมิวสิกสตรีมมิ่งเนี่ยที่ทั่วโลกก็ถือว่าบูมอย่างต่อเนื่องนะครับบูมอย่างต่อเนื่องด้วยยอดขายแซงหน้าทุกแพลตฟอร์มมาสองปีซ้อนขณะที่ในไทยนะครับกระแสของมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเขาบอกว่าด้วยยอดฟังมากกว่าสามพันล้านครั้งขยายตัวถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ก็ทำให้เห็นว่าคนไทยฟังผ่านแอป90นาทีต่อวันโดยในกรุงเทพมีผู้ใช้งานสูงสุดนะครับข้อมูลของ IFPI Global Music Report สองพันสิบแปดนะฮะได้เผยให้เห็นถึงความภาพบรวมของไรายได้ในอุตสาหกรรมเพลงทั่วโลกล่าสุดในปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะฮะโดยมีมูลค่าทั้งหมด000 000หนึ่งจุดเจ็ดสามหมื่นล้นานเหรียญสหรัฐหรือประมาณห้าจุดสามหกแสนล้านบาทมากกว่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่มี 1.6 หมื่นล้านนะฮะเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4.94 ล้านบาทนะครับนับว่าสูงสุดในรอบ10ปีหลังจากที่เจอ MP3 เถื่อนนะฮะตีสะจุนกระจุยกระจ่ายกันไปซึ่งหน่าจับตามองว่าตลาดมิวสิกสตรีมมิ่งเนี่ยมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่13อีกทั้งยอด2ปีที่ผ่านมาสูงเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าตลาดแผ่นซีดีเทปอะไรทั้งหมดแล้วนะครับ ก็ก็น่าจะแซงนะเพราะอยู่นี่เขาไม่ได้ทำเออกมาขายเท่าไหร่<笑><笑>นะโดยเขาบอกว่าปีสองพันหน้าร้อยหกสิบนะฮะของสัดส่วนสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของอุตสาหกรรมเพลงด้วยมูลค่า 6. 6, 000, 000, 000, หกจุดหกพันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณสองจุดห้าแสนล้านบาทนะครับเ ต, ติบโตขึ้นสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าที่มีมูลค่า 5, 2, 000, 000, ห้าจุดสองพันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณหนึ่งจุดหกหนึ่งแสนล้านบาทนะครับคนไทยฟังผ่านแอป สิบล้านคนนะฮะส่วนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็ น, ปนตลาดสตรีมมิ่งในประเทศไทยอันนี้เป็นผลสำรวจของจุ๊กส์นะฮะระบุถึงพฤติกรรมการฟังเพลงแบบสตรีมมิ่งของคนไทยในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดว่าแอปพลิเคชันสำหรับฟังเพลงที่มีคนเลือกฟังมากที่สุดก็คือจุ๊กส์ด้วยสัดส่วนเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็แง่เนาะสำรวจเอง <laughs> ตามด้วยสปอตสิฟายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์และแอปเปิลมิวสิกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะ เขาบอกว่าอย่างที่บอกสถิติล่าวนี้นะครับ、mm. เขาบอกว่าเมื่อเทียบกับปี59นะครับมีมากกว่า2พันล้านครั้งโดย 93% ฟังผ่านสมาร์ทโฟนและมียอดดาวน์โหลดในไทย68ล้านครั้งจากผู้ใช้แอนดรอยด์ 84% และไอโอเอส 16% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มี50ล้านครั้งโดยมีคนไทยฟังอยู่ที่ประมาณ10ล้านคนนะฮะ10ล้านคนนะขออนุญาตแอปดูโผล่นิดหนึ่งนะฮะ10ล้านคน แตยังไงละ่ะขณะที่คนฟังใช้เวลาอยู่บนแอ ป, ปของจุกเน็ตเฉลี่ย90นาทีซึ่ง 70% ใช้งานระหว่างเดินทางบนรถสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกที่ 66% และยังฟังขณะเดินเท้าอีก 60% ซึ่งมีกลุ่มคนอายุ 18-34 ปีเป็นกลุ่มที่ฟังมากที่สุดด้วยสัดส่วนถึง 79% ของคนฟังในแอ ป, ปทั้งหมดอีกทั้ง 89.5% ของผู้ใช้งานเนี่ยเลือกฟังเพลงไทยโดยกรุงเทพเป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานสูงสุด คือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของคนฟังทั้งประเทศครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชวโมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMIT Moving Towards Innovative University チェンジアップの時代は、この時代は、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 เมื่อสักครู่นี้พี่มิ้งบอกว่าคนไทยฟังเยอะและคนกรุงเทพฟังหยุดเออฟังเยอะสุดนะฮะ 15% เนี่ยปัจจัยที่ทำให้คนไทยหันมาฟังเพลงผ่านมิวสิกสตรีมมิ่งมากขึ้นเนื่องจากความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปริมาณดาต้าในแพ็กเกจแล้วก็ราคาของสมาร์ทเดเวลเป็นก็ถูกลงแพ็กเกจก็ ดูถูกและคุ้มค่ามากขึ้นซึ่งผู้ใช้งานก็มีแนวโน้มในการฟังเพลงที่มีคุณภาพความคมชัดสูง <c oughs> ก็คือพวกไฮคุณภาพต่างๆแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่ฟังเพลงมากกว่าการดาวน์โหลดเก็บไว้เพื่อเป็นเจ้าของอันนี้มีความต่างนะถ้าเป็นคนรุ่นพี่มิงอยากเก็บแต่คนรุ่นเดียเ๋ยวนี้เขาไม่ไม่เก็บให้เปลืองฮาร์ดดิสต์นะฮะทิศทางของจุกส์ในปีหกสองซึ่งเป็นปีที่สี่ก็จะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แพลตฟอร์ม ซึ่งเชื่อมต่อดนตรีเข้ากับการดำเนินชีวิตของคนยุคดิจิตอลนะครับโดยดยุทธกลยุทธโอทูโอทูโอออนไลน์ทูออฟไลน์และก็แบ็คทูออนไลน์และก็เอ็กซ์เพรียนท์ผสานกับแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่อุตสาหกรรมดนตรีไทยนะครับโดยมุ่งส่งเสริมผลงานศิลปินในหลากหลายมิติโดยเน้นโมเดล คอลเลบเรชั่นโปรเจกต์ด้วยการนำศิลปินที่มีแนวเพลงต่างกันมาทำงานร่วมกันเพิ่มความแปลกใหม่ระหว่างศิลปินไทยและศิลปินจากประเทศอื่นๆรวมถึงการถ่ายทอดสดพวกไลฟ์คอนเสิร์ตจากเกาหลีที่ในปีนี้ตั้งใจก็คือปีนี้จะเห็นว่ามีมากขึ้นนะครับในส่วนยการพัฒนาแพลตฟอร์มนะครับจะเน้นสร้างคอมมูนิตี้ในกลุ่มคนรักเสียงเพลงเนื่องจากความนิยมของฟิวเจอร์คาราโอเกะที่ปีก่อนมียอด ร้องสูงถึงห้าล้านครั้งมีการแชร์เพลงที่ร้องแบบคาราโอเกะไปแล้วสองจุดหกล้านครั้งโดยปีนี้จะเชิญชวนอินฟลูเอนเซอร์ในด้านต่างๆเข้ามาร่วมสร้างความบันเทิงในการร้องคาราโอเกะด้、o、วยนะครับก็ถือเป็นความสนุกอย่างหนึ่งนะเพราะพี่มิ้งเองยชอบเหมือนกันลังครวบร้องคาราโอเกะเวลาคิดเครีย ด, ดจากงานจากปัญหาโน่นนี่นั่นไปตะเบงร้อง เ, งเพลงเพราะๆเพรา ะ, ราะไม่เพราะไม่รู้แหละแต่ก็ร้องไปก็ทำให้เรามีความสุขได้เช่นเดียวกันนะครับและก็ยังบอกว่า เจนวายเป็นผู้บริโภคหลักของยุคเพลงดิจิตอลนะครับมากกว่าเจนอื่นๆนะฮะซึ่งเจนวายไม่ได้มีชีวิตเหมือนพ่อแม่อีกต่อไปดนตรีก็เช่นกันโดยแก่นของคนรุ่นนี้คือความชอบความสนใจและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายมิอาจปฏิกเสธได้ว่าความชอบของคนเจเนอเรชันนี้แตกต่างจากรุ่นก่อนๆ อ, อยากเห็นได้ชัดเห็นได้จากเพลงฮิตของยุคนี้ที่มีความหลากหลายทั้งแง่ของแนวเพลงดนตรีต่างจากคุณ รุ่นรุ่นพี่หมิงคุณพ่อคุณแม่พี่หมิงเนี่ยที่เพลงฮิตส่วนมากจะเป็นแนวป๊อปแถมมีให้เลือกฟังไม่กีดแนวด้วยนะครับการฟังเพลงถือเป็นไลฟ์สไตล์หนึ่งของผู้คนไปยาวนานจนก้าวสู่ยุค ด, ดิจิทัลที่การฟังเพลงเป็นเรื่องง่ายเข้าถึงโลกแห่งเสียงเพลงเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนได้นะครับก็อันนี้ก็เป็น ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์มาเล่าให้ฟังกันเดี๋ยวเลขสุดท้ายนะครับจะมาฟังถึงเรื่องของ Streaming ที่เป็นแหล่งลายได้ของไข้ายเพลงในอนาคตครับสำหรับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโรยีราชั่วโมงคนทันยะบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม RMUT Moving Towards Innovative University 车口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 รู้หรือไม่ครับว่าปัจจุบันค่ายเพลง Universal Music Group ค่ายเพลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมีรายไดจากการสตรีมมิ่งสูงถึงสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดนะฮะซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำเงินไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับเมื่อสิบปีก่อนแล้วเรื่องราวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะฮะค่ายเพลงกำลังโตเพราะว่าสตรีมมิ่งนะฮะเป็นยังไง ร, รู้หรือไม่นะฮะก็อย่างที่บอกว่าเอ่อก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้จักกับวงการค่ายเพลงระดับโลกกันสักนิดนะฮะ ปัจจุบันเนี่ยวงการทำเพลงนั้นมีขนาดที่ใหญ่ถึง 580,000 ล้านบาทนะครับโดยมีอยู่สามค่ายใหญ่ที่ครองส่วนแบ่งในโลกนะฮะหรือเรียกว่า big three ก็คือ universal, universal music นะฮะ Warner music แล้วก็ Sony music โดยมีผู้นำอย่างค่าย Universal music ที่ครองส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุดนะฮะซึ่งก็มีนักร้องดังในสังกัดมากมายอย่างเช่น Taylor Swift ดาร์คมาลุนไฟส์เนี่ยแล้วก็โพสมาล่อนโอ้โหเยอะแยะเลยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างบ้างในวงการเพลงโดยเฉพาะรูปแบบการทำรายได้ที่เปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลมากขึ้นนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าการเข้ามาของดิจิตอลเนี่ยจะกระทบต่อรายได้ของบริษัทเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นกับค่ายค่ายเพลงในเมืองไทยแต่สำหรับค่ายเพลงระดับโลกแล้วกลับตรงกันข้ามเรามาดูซิว่าแต่ละค่ายเป็นยังไง เริ่มที่ Universal Music นะครับเขาบอกว่าปีสองพันสิบแปดเนี่ยรายได้สองแสนหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดล้านบาทโดยปีสองพันสิบแปดนะครับมีสัด ส, ส่วนรายได้มาจาก streaming และ subscribe ถึงแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดล้านบาทหรือคิดเป็นสี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดเช่นเดียวกับ Warner Music Group นะครับเขาบอกว่าปีสองพันสิบแปดเนี่ย รายได้อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสามล้านบาทนะครับมาจากสตรีมมิ่งสับสครายและก็การดาวน์โหลดถึงหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบสามล้านบาทคิดเป็นเงินก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดมาที่รายสุดท้ายคือโซนิคเมลล์ซิกเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับปีสองพันสิบแปดเหมือนกันรายได้อยู่ที่สองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบล้านบาทมาจากสตรีมมิ่งและสับสครายคิดเป็นยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อยู่ที่หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบล้านบาทนะครับ ทั้งสามบริษัทนี้นะครับรายได้มีแนวโน้มจะสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของสตรีมมิ่งถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วค่ายเพลงเนี่ยเขาจะทำเงินอย่างไรก็รู้หรือไม่ว่าจากข้อมูลของนิตยสารไทาม์ในปีสองพันสิบสี่เนี่ยแพลตฟอร์มเพลงอย่างสปอตสิฟายนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายจากรายได้ทั้งหมดกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับค่ายเพลงเหล่านี้เพราะว่าถ้าอยากจะมีเพลงให ให้คนได้ฟังเนี่ยเขาก็ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์มาโดยเพลงที่มีผู้เข้าชมประมาณ200ล้านครั้งเนี่ยจาก Spotify ต้องจ่ายเงินให้กับค่ายเพลงสูงถึงประมาณ52ล้านบาทนั่นหมายความว่าทุกการฟังหนึ่งครั้ง Spotify ต้องจ่ายเงินให้กับค่ายเพลงเหล่านี้ครั้งละประมาณ 0.26 บาทแต่ในปัจจุบันนะครับมีแพลตฟอร์มเพลงเกิดขึ้นมากมาย นอกจาก Spotify ตัวอย่างเช่นประเทศไทยเราก็มี Jus นะฮะเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยที่พิมิงเล่าว่าการเกิดขึ้นใหม่ของแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้มันก็คือเป็นช่องทางที่จะต้องไปซื้อลิขสิทธิ์จากค่ายเพลงนั่นเองพูดง่ายว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นอยัางไงเรามาดูเมืองไทยบ้างนะครับสองค่ายใหญ่อย่าง RS แคมีเขาบอกว่า RS เนี่ยปีสองพันสิบแปดรายได้จากสตีมรายได้เนี่ยสามพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดเขาบอก RS เคลมตัวเองว่าไม่ใช่บริษัทเพลงต่อไปแต่ตอนนี้ RS มีไรายได้หลักจาก ธุรกิจพาณิชย์ที่ขับเคลื่อนโดยโบทสุขภาพและความงามแต่ว่าปีล่าสุดอาร์เอสมีรายได้จากการทำเพลงสามร้อยห้าสิบห้าจุดสองล้านบาทหรือเก้าจุดสามเปอร์เซ็นต์และรายได้จากอื่นๆอยู่ที่ประมาณห้าสิบหกจุดหกเปอร์เซ็นต์มาที่แกมมี่บ้างรายได้ทั้งหมดคือหกพันเก้าร้อยแปดสิบสี่ล้านบาทโลโดยมีรายได้จากเพลงอยู่ที่สามพัน เก้าร้อยสี่สิบห้าล้านบาทหรือห้าสิบหกเปอร์เซ็นของรายได้ทั้งหมดจะเห็นว่าทั้ง R S นั้นมีสัด ส, ส่วนทำเพลงที่น้อยลงและหันไปทำธุรกิจอื่นมากขึ้นในขณะที่แกรมมี่เองยังมีสัด ส, ส่วนจัดเพลงมากกว่าโดยทั้งสองยังไม่มีข้อมูลแยกมาว่าร า, ายได้จากสตรีมมิ่งเพลงเป็นอย่างไรแต่พี่มินก็เชื่อว่ามันน่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้ก็ฟังกันไปแบบเต็มอิ่มจริงๆสำหรับเรื่องของสตรีมมิ่งทั้งหนังและเพลงเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมสิ、22.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 シャンジンディプロフォーティンマー。トゥクランボクライ、グローハイオマン。ローマンド・マヘイポー、クライ、マヘンタイ。ミケツテトゥクランティティタイ、ダミー・クライ、ムランジャ